พระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังจบองค์ก็หายแวบไปพระนุรุทธะก็เจริญกรรมฐานบรรลุเป็นพระอรหันต์หรืออีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะพระโซณนะเนี่ยนะโซณนะโกริวิสาเนี่ยเป็นผู้ที่เพียนจริงๆเลยนะเดินจงกรมจนฝ่าเท้าเนี่ยแตกเป็นเลือดอาบเช่นทางจงกรมแล้วท่านก็คุกเข่าต่อไปเดินนะ่ยนะท่านเพียนมากเลยเนะี่ยนะท่นก็เพียรโอ้โหท่นก็เพียนแล้วก็ไม่บรรลุใช่ไหมทางจงกรมของท่านเนี่ยเลือดอาบท่วมทางจงกรมหมด เราเพียรขนาดนี้เราก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลสงสัยเราจะบุญน้อยทําบุญมาน้อยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงไม่มีบุญจะบรรลุเราะงั้นเราศึกดีกว่าศึกไปก็ครอบครัวเราก็มีทรัพย์มีฐานะเนี่ยนะเขาเป็นลูกเศรษฐีคนเดียวด้วยเนี่ยนะเขาศึกไปเราก็มีฐานะก็ทําบุญให้ทานไปเลี้ยงใช้ชีวิตไปพระองค์ก็เวบมาโสนะเธอคิดอย่างนี้อย่าง น, างนี้อย่างนี้ใช่ไหมพระเจา้าค่ะทําไมจึงคิดอย่างนี้ล่ะเนี่ยนะ กอเนี่ยเพียนอย่างนี้แล้วก็ไม่บรรลุพงษ์ก็บอกว่าเธอเป็นผู้ชํานาญในเสียงพินใช่ไหมพระเจ้าค่ะถ้าสายพินมันหย่อนเป็นยังไงมันก็ดังไม่เพราะพระเจ้าค่ะถ้าตึงเกินไปมันจะเป็นยังไงสายพินมันก็ขาดพระเจ้าค่ะถ้าขึงพอดีละ่ะเสียงก็เพราะฉันใดพงษ์ก็พูดถึงว่าอินทรีย์เนี่ยนะก็ควรปรับอินทรีย์ให้เป็นไปยอย่างสม่ำเสมอศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิสติจําต้อง ปรารถนาะแล้วก็ปราลบบอกวิธีการเจริญสใส่ใจมนุษยการนิมิต ท, ทั้งหลายท่านเจริญอยู่ไม่นานก็เป็นพระอรหัน์เนี่ยนะนั้นองค์ก็แวะไปปรากฏเฉพาะหน้าเลยนะแล้วก็สมัยพุทธกาลเนี่ยมีบ่อยนะอย่างพระอุบลวันนาเถรีนี่ก็เหมือนกันจุดประทีปอยู่เนี่ยนะจุดประทีปสองสว่างเนี่ยนะกำลังจุดเทียนอยู่เห็นแสงสว่างของแสงเทียนแล้วท่านก็เจริญกรรมฐานพระพุทธเจ้าก็ปรากฏแวบผองก็บอกอุบลวันนาคิดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็บรรลุเลย อีกคนหนึ่งในนางปตาจาราใช่รถน้ำเนี่ยเตรียมรถน้ำจะขึ้นกุฏิเนี่ยหน้าแลงก็รถน้ำขันที่หนึ่งตักรถเท้าเข้าไปน้ำก็ไหลไป น, นิดเดียวก็หายไปหมดละขันที่สองขันที่สามนางก็มาคิดเออชีวิตของคนเราเนี่ยนะ ชีวิตของศาตร์ทั้งหลายบางคนก็ตาย ต, ายตายั้งแต่เล็กแต่น้อยก็เหมือนน้าขันแรกนั่นแหละบางคนก็ตายในวัยกลางคนเช่นสามีก็ตายในวัยกลางคนก็เหมือนกับน้ําขันที่สองบางคนก็อายุมากแล้วอยตายก็เหมือนน้าขันที่สาเช่นกับพ่อแม่เป็นต้นมันน่ะสิการเจริญกรรมฐานไปเรื่อยพระองค์ก็แหวบใช้แล้วเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงธรรมไปนางก็บรลุเป็น พระอาหารหันตะ์เนี่ยนะก็มีอีกหลายเรื่องมากเลยนะที่กาลังคิดคิดอยู่แล้วพองศ์ก็แวบมามันหลวงตาสุพัฒน์ท่เนี่ยหนักใจมากเลยสมัยพุทธกาลอยู่เพราะแกคิดนอกรอยเบาะมากเนี่ยนะชอบคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะชอบคิดบาปอากุศลแลแ้วแกเป็นนักเพเจร์ตัวฉกาดผู้เรื่องไม่เป็นประโยชน์คือหมายความว่าอายุมากขึ้นทำไมนิทานมันมากขนาดก็ไม่ทราบเนะี่ยจะคุยไปเรื่อยเปื่อยคุยมากแล้วพระองค์ก็เตือนแก บ, บ่อยมากพอถูกเตือนบ่อยๆแกเหมือนรู้สึกว่าเสียหน้า จองเวรกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือสรุปว่าทำอะไรเหมือนกับว่าขัดตาพระพุทธเจ้าไปหมดคือคือเขาเขาว่าอะไรเพราะเขาไม่คิดจะโอ่ตามคําสอนใช่ไหมก็คือมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นถ้อยคํากถาที่เขาพูดก็เป็นเพอเจิรหลวงตาสุภัสสะเนี่ยเครียดตลอดเลยนะตอนที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่พอพระบอกได้ข่าวว่าพระองค์ปัจิุบันนี้ผ่านแกนโอ้ยลงอกที รอดแล้วแปลว่าพ้นแล้วพ้นดีแล้วจากพระมาหาสมมณะเนี่ยนะบอกเฮ้อลงอกทีกไม่มีใครมาต้องมาจำ้ำจี้จำ้ำชายไม่ต้องมาคอยบอกคอยสอนเป็นต้นเนี่ยนะบางคนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะนะไม่ต้องการคําแนะนําแล้วก็ตักเตือนเนี่ยนะเพราะนั้นก็แปลกว่าก็มียุคทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะก็ก็เป็นอย่างนี้แหละจะไปว่าอะไรเขาเขาก็เป็นของเขามาตั้งนานละนะงั้นคนที่สมัยพุทธกาลเนี่ยแม้กระทั่งกําลังเพลเจอร์อยู่เนี่ยนะพระองค์ก็เสด็จมาละ พิ่สุทั้งหลายพวกเธอดั้งสนทนาอะไรกันอยู่กับเดรัจฉานกท้าพระเจ้าข้าเนี่ยนะก็แต่คือคือเขาเนี่ยพระพุทธเจ้ามีบุญเน่ยนะเพราะงั้นเขาพูดอะไรเนี่ยอยากพระองค์ถามนะอยากคิดว่าจะหลอกได้สําเร็จนะต้องพูดอย่างเดียวเท่านั้นคือความจริงเพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เจริญสัมมาวาจา ม, มามากไม่มีใครสามารถพูดมุสาต่อพระพักพระพุทธเจ้าได้ถ้าพระองค์ถามแนละ้วต้องพูดแต่ความจริงเท่านั้น จะต้องพูดแต่ความจริงว่าพระปงถามอย่างนี้เรต้องตอบตามที่พระปงถามถ้าไม่ตอบถ้าถ้าบอกว่าไม่ตอบนิ่ง น, นะเท้าส ก, กัดก็กวัดตะบองลอยอยู่ในอากาศแล้จะตอบหรือไม่ตอบถ้าไม่ตอบหัวท่านแต่จากเสียงเนี่ยเนี่ยือตกพลักพลักพ ล, กพ ล, กพลกัอะไรต้องรีบตอบเนี่ยเดี๋ยวสูตรข้างหน้าจะมีนะเนี่ยสูตรข้างหน้ามหาสัจ ก, กะสูตรเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะก็พวกนี้ก็นอนะยักษ์กระว่ายักษ์เนี่ย ถือกระบองเลยนะลอยอนยะู่ในอากาศเห็นคนเดียวด้วยนะคนอื่นก็มองไม่เห็นด้วยเนะี่ยถือกระบองเตรียมจะหวดเต็มที่ทุบลงมาเนี่นนะจมแผ่นดินแน่เนี่ย น, นะเขต้องรีบตอบพระองค์ถามอะไรก็ต้องรีบตอบไม่ตอบเขาบอกว่าเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวพระเอกพระอินถือกระบองมาตีหัวอลไรนะกลัวมากทั้งคนก็ต้องพูดแต่ความจริงอย่างเดียวเนื่องจากอะไรพระองค์เป็นผู้ที่มีบุญนนะพระองค์เป็นผู้ที่มีบุญแล้วก็ เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสําหรับผู้ที่มีอัธยาศัยมีอุปนิสัยน้อมไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นจะดีใจมากจะดีใจแล้วก็มีความสุขที่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าผู้นํามาซึ่งขัดกล่าวจะได้พ้นจากทุกสุกทีเนี่ยนะคือเขามองเห็นว่ า, าเหมือนกับว่าคนที่ติดเชื้อโรคเชื่อใดเชื่อหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับหมอที่อะไรหมอที่ เรียกว่าล้างเ ช, เชื้อแต่ละเชื้อแต่ละเชื้อแต่ละเชื้อออกไปถ้าหมดเชื้อเท่าใดตัวก็ยิ่งสบายขึ้นเท่านั้นก็ยิ่งดีใจที่จะได้ถอนพิษถอนโรคออกไปันคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นกับยาที่คอยทําลายเชื้อทําลายเชื้อโรคทั้งหลายออกไปทั้งก็ดีใจที่จะรับโอวาทคําสอนยินดีที่จะประพฤติแล้ว ปฏิบัติตามเขามีความสุขมากเนี่ยนะแต่สําหรับคนที่เรียกว่าขอเป็นตัวของตัวเองต่อไปอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะเชื่อเชื่อมั่นในตัวเองสูงบุคคลเหล่านี้จะไม่ค่อยเลื่อมใสในคําสอนนี้นี่เราดูเราสังเกตดูนะัว่าใจของเราชอบฟังคําสอนหรือไม่ชอบฟังคําสอนเราสังเกตดูว่าใจของเราถ้าเราเป็นลักษณะของผู้มีศรัทธาเนี่ยนะเราจะปล่อยกายใจให้เป็นไปตามคําสอนเยอะมากเนี่ยนะ ถ้าเราไม่มีศรัทธาแม้แต่สวดมนต์สันเสริญพุทธคุณอยู่เราก็ยังเอาเรื่องอื่นมาแทรกได้ธรรมคุณอยู่ก็ยังเอาเรื่องอื่นมาเบนประเด็นได้พร้อมที่จะเบนประเด็นไปอย่างอื่นที่มันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับศรัทธาอย่างคนที่มีอัธยาศัยในศีลเนี่ยเขาจะถือว่าศีลนี่เป็นสาระน้อมไปในศีลเนี่ยเนหะ็นเรื่องอื่นไม่เป็นสาระน้อมไปในเรื่องของความมีศีลแต่ถ้าคนไม่มีศีลถือไม่ถือว่าศีลเป็นสาระเนี่ยนะ พร้อมที่จะประเด็นประเด็นไปสู่เรื่องอื่นหรือสุตะก็เหมือนกันนะสุดแท้แต่ว่าใครเห็นอะไรเป็นสาระทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้เป็นพระธรรมาราชาพระองค์เนี่ยสอนเราเนี่ยพระองค์สอนให้เรารู้อะไรพระองค์บอกอะไรเราพระองค์บอกให้เรามีศีลแล้วศีลคืออะไรพระองค์ก็ชี้แจงจำแนกแจกแจงรายละเอียดต่างๆของศีลทั้งหมดโดยประการทั้งปวง พระองค์ต้องการให้เราเนี่ยมีสมาธิหรือมีศรัท ธ, ธาพระองค์ก็จะพูดให้เรามีศรัทธามีวิริยะมีสติแล้วก็มีปัญญามันคนที่ตั้งใจที่จะศึกษาคำว่าศึกษาก็คือทําให้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะต้องการทําศรัทธาให้เพิ่มขึ้นต้องการทําวิริยะให้เพิ่มต้องการเจริญสติให้เพิ่มต้องการมีสมาธิที่เพิ่มขึ้นมีปัญญาที่เพิ่มยิ่งขึ้นต้องการความเจริญตเติบโตแห่งคุณธรรมทั้งหลายบุคคลเหล่านี้จะยินดีใน พระธรรมเทศนาของพระองค์นี่ยนะว่าสังเกตดูถ้าเราปรารถนาที่จะเห็นอริยสัจเราก็ต้องไปน้อมเรียกว่าถ้าคนใฝ่เรื่องใดก็ต้องดูเรื่องนั้นใช่ไหมถ้าคนชอบการเมืองยังไงเราก็ต้องอ่านหนังสือเรื่องการเมืองว่างั้นเถอะอันนี้เป็นปกติเลยใช่ไหมคนที่ชอบสวยงามยังไงก็ต้องดูรสารเกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับตกแต่งเรื่องเรียกว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ร่างกายทั้งหลายเนี่ยจะต้องไปดูสิ่งเหล่านั้นถ้าใครเป็นนักช่องเที่ยวก็ต้องเอาหนังสือประเภท ท่องเที่ยวมาอ่านใครชอบนกก็ต้องเอาเรื่องสื่อเรื่องนกมาอ่านเขาเป็นเรื่องที่เขาฝักใฝ่สําหรับคนที่เขาฝักใฝ่ที่จะรู้เห็นอริยสัจเขาก็จะอ่านพระไตรปิฎกฉันนั้นเนี่ยนะเพราะเขามีอัธยาเคือเรียกว่าให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้เนี่ยนะอั น, นอย่างในยุคหลังๆมาเนี่ยคนไม่ได้ต้องการการตรัสรู้อริยสัจมากนักเนี่ยนะวันประเทศพระเทพระไตรปิฎกเนี่ยนะโอ้เก็บเก่าหมดเลยเนี่ยนะเก็บเก่าบางทีปลวกเข้าไปอ่านให้ตั้งนานเนี่ยนะเข้าไปที่วัดหนึ่ง ปทายวิโกไม่น่าเชื่อเลยนะปลวกมันชอนมันชยัยซะจนเปิดแล้วก็อ่านไม่ได้เลยน่ยนะก็แต่ข้างนอกนี่ดูสวยหมดเลยเนี่ยนะคือเราจะเอาสันตกออกมาข้างนอกมันก็กัดแต่เนี้ยกระดาษข้างในนี่หมดเกลี้ยงไว้แล้วเนี่ยนะก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาไม่มีอัธยาศัยที่จะรู้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีอัธยาศัยเป็นอย่างอื่นที่นี้ช่างเขาเถอะแล้วเราล่ะแล้วเราล่ะก็ต้องไม่ลืมแบบสันเลกธรรมใช่ไหมชนเราอื่นเขาเป็นผู้ไม่มีศรัทธา เธอทั้งหลายเพึ่ออะไรเราทั้งหลายเพึ่อทำความศึกษาว่าหรือเราทั้งหลายตั้งใจเลยว่าเราจะเป็นผู้มีศรัทธาชนเราอื่นเป็นผู้ไม่มีศีลนะเป็นผู้ทุศีลเราทั้งหลายตั้งใจไว้เราจะเราจะเป็นผู้มีศีลชนเราอื่นไม่มีฮีริโอตปะเราก็ตั้งใจไว้เลยว่าเราจะเป็นผู้มี มีเรอตปะชนเราอื่นเขามีสุตะน้อยหรือไม่มีสุตะเราทั้งหลายก็จะเป็นผู้มีสุตะชนเราอื่นไม่มีสติเราทั้งหลายก็จะเป็นผู้มีสติชนเราอื่นจักเกียดครั้นเราจักปรารบความเพียรคนเราอื่นไม่มีปัญญาเราจักเป็นผู้ที่มีปัญญาชนเราอื่นถือเอาแต่ความเห็นของตัวแบกแต่ความเห็นของตัวเราจะขอคิดตามเห็นตามอย่างที่พระพุทธเจ้าพาคิดพาเห็นพาอะไรเนี่ยนะตั้งใจบ่อยๆ จิตตุบาทเราเนีเป็นบุญมหาศาล น, นะเป็นสิ่งที่มีคุณมากพระองค์บอกว่าแม้แต่คิดอย่างนี้ก็ยังเป็นบุญเลยเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่มีอุปการะมากจะกล่าวไปยายถึงประพฤติปฏิบัติจัดแจงให้เป็นไปตามนั้นให้คิดแบบนั้นให้บ่อยๆขึ้นเนี่ยนะคือจิตเนี่ยน ะ, ะคุณธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ที่ใจของเราฉะงนั้นถ้าเราอยากให้ใจของเราเป็นกุศลบ่อยๆเราก็ตั้งใจสิ น, นะตั้งใจบ่อยกุศลจิตก็เกิดบ่อยถ้าไม่ตั้งใจใจก็ไม่เป็นกุศลเนี่ยนะตั้งหนึ่งครั้งก็เป็นกุศลหนึ่งทีสมมติเราถามว่าถนนหนทางที่ไม่ดีเนี่ยคนขับรถเนี่ยปล่อยพวกมาลัยเลยใช่ไหมเขาทำไงดีโอย้ยิ่งต้องระวังยิ่งต้องประคับประคองโลกนี้เนี่ยนะทางคดมันเยอะมากทวารตาก็พาคดทวารหูก็ พาคดทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายก็พาคดพร้อมที่จะพาเราตกเหวอกุศลวิตกก็พาคดไปหมดนี้ทําไงดีตั้งใจให้บ่อยๆนะเห็นเห็ น, หนถ้าใครอ่านสันเลขาทำบ่อยๆนี่น่าจะดีใจนะในสูตรก่อนๆที่เราเคยเรียนมาแล้วในสันเลขาสูตรเนี่ยเราตั้งใจไว้เจริญตามนั้นถ้าตั้งใจแบบนั้นสมาทานแบบนั้นเนี่ยบ่อยๆเราคิดว่าเราจะกุศลเจริญไหม จเจริญอยู่แล้วปัญหามันจ ะ, จะเจริญกุศลหรือเปล่าถ้าตั้งใจจ ะ, จะเจริญกุศลเห็นว่ากุศลทั้ง44ข้อเป็นสิ่งที่ควรจเจริญแล้วก็สมาทานให้บ่อยๆเนี่ยนะก็เหมือนกับคนที่ชอบเพลงอ่ะร้องแต่เพลงนั้นแนะ่ะบ่อยๆบ่อยๆฉันใดคนที่ชอบกุศลธรรมเนี่ยนะก็ต้องคิดอย่างนั้นบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะบรรลุอะไรเร็วห ร, รอกบอกอีกนั้นมางั้นเถอะ อันนี้เล่าให้ฟังเรื่องอีกไกลนักแลไม่ต้องค่วงว่าแหมมันจะลึกซึ้งจะได้บุญมากบอกโอ้ยนี่แค่เริ่มต้นเนี่ยนะนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยมันถ้าพูดแบบเทียบเทียบกับคนสมัยพุ้จักรเนี่ยสองไหลของเราไม่รู้คลานกันได้หรื อ, อยังก็ไม่ทราบเนี่ยนะมันเด็กขนาดนั้นนะไม่รู้เริ่มคลานได้หรื อ, อยังก็ไม่ทราบเนี่ยนะเพราะอะไรถามว่ายังอีกไกลจริงๆถามว่าดูจากอะไรเรามีความสุขกับคําว่าไม่เบียดเบียนไหมอันนี้กันดับแรกนะเครื่องวัดเช็คเลยนะ หนึ่งเรามีความสุขกับคําว่างดเว้นจากปานาธิบาตไหมสองเรามีความสุขกับคำว่า ง, งดเว้นจากาาาอาทินนาทานไหมมีความสุขกับคำว่าประพฤติพรหมจรรย์ไหมมีความสุขกับคําว่ า, นนาไม่มุสาวาตไหมมีความสุขกับการไม่พูดยุแยกให้เขาแตกแยกกันใช่ไหมมีความสุขกับคำว่า คำไพเร า, าะคำที่มีประโยชน์ใช่ไหมมีความสุขกับการโลภหรือการไม่โลภมีความสุขกับการโกรธหรือการไม่โกรธมีความสุขในความโงเ่เขลาหรือเข้าใจผิดกับมีความสุขในการเข้าใจถูกเราก็มาเช็คดูว่าเรายินดีในกุศลธรรมทั้ง44ข้อไหมอันนี้เป็นความสุขก่อนแล้วสองรายละเอียดเราเข้าใจขนาดไหนสามแล้วชีวิตจริงๆของเราเจริญได้เท่าไหร่และการเจริญเหล่าเนี้ยใกล้ต่อการ รู้ยิ่งปรสรู้เนี่ยนะเป็นไปเพื่อปรินิพานใกล้หรื อ, อยังเนี่ยนะเราก็ถามใครว่าถามใจเรานี่แหละใกล้หรือไม่ใกล้อยู่ที่ใจของเรามันรู้เหมือนกับคนที่ทานอาหารทานไปเยอะๆเนี่ยใกล้จะอิ่มหรือไม่อิ่มรู้ไหมเขาจะรู้เลยเนี่ยนะทานไปหนึ่งคำเหลืออีกหลายคําเนี่ยเขาตานปั๊บเขารู้เลยเนี่ยนะคุณธรรมทั้งหลายที่อยู่ในใจที่ใครที่เป็นนักเจริญกุศลเนี่ยจะรู้เลยว่าเพิ่งชิมได้สองเม็ดเม็ดข้าวนะ ไม่ใช่ชิมได้สองช้อนแต่สองช้อนเขายัางชั่วหน่อยนะเพิ่งทานเข้ า, เาไปสองเม็ดสามเม็ดเองเนี่ยนะแล้วก็เม็ดหักหักด้วยเนี่ยนะรู้เลยว่ายังทานอีกนั้นกว่าจะอิ่มชั้นใดคนที่เจริญกุศลเนี่ยนะใจมันจะบอกเราเองอนะว่าเออกุศลธรรมเช่นสติปัฏฐานจเจริญได้เท่าไหร่แล้วนะไม่ใช่เจริญเอาเวลานะเอาคุณภาพจิตเนี่ยน ะ, จะเจริญคุณภาพจิตจเจริญได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะสัมมาประธานอิธิบาทอินทรีย์พระพ่อชงและองค์มรรคเนี่ยนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเขาก พอเขาคิดเป็นอื่นพระพองจะเสด็จมาเลยคิดอย่างนี้ไม่ถูกนะต้องคิดอย่างนี้ะนะเนี่ยเห็นแบบนี้เห็นไม่ถูกเห็นอย่างนี้จึงจะเป็นการเห็นถูกถ้าถ้าโดยสรุปเนี่ยนะสาระของคําสอนก็คือว่าเธอจง อ, อย่าคิดอย่างนี้เธอจงคิดอย่างนี้เธอจงละสิ่งนี้จงเจริญสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้ะนะ ก็จะมาแยกเป็นสัมมามักเป็นมิจฉามักจำแนกเป็นสมุทัยศาสตร์จำแนกเป็นมัคศาสตร์จำแนกเป็นมิจฉาปฏิปทาจำแนกเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นต้นเนี่ยนะงนั้นเราก็พยายามตั้งใจที่จะศึกษาคำสอนให้เป็นไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าแนะนําอย่าลืมว่าคําสอนของพระองค์ที่สอนทั้งหมดในทุกสูตรก็สอนให้เราเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดสอนให้เราเจริญมัชฌิมาปฏิปทานั้นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดนั้น มีนิพพานเป็นที่สุดอย่างลงสู่อมะตะนิพพานถ้าเราเป็นไปตามการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนก็เชื่อได้เลยว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราทั้งหลายเนี่ยนะสำหรับช่วงเช้านี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะ